เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวปน ม, มือกันนอะองเาตั้งนมโมพร้อมกันเลยเอะอนโมตัสสะอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอจฉอาทิงกตะวาอะหังพุทธัสสะ อัตานังนิยาเทมิอหังธรรมมัสสะอัตานังนิยาเทมิอหังสังคัสสะอัตานังนิยาเท ม, อเท ม, อเทมิอิติมังทาเรถาติข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิต มอบตนอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้ามอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพระเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิต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 มอบตอนเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้ามอบตอนเป็นสิทธิของพระธรรมมอบตอนเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์ออรรขอสงโปรด จ, จำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิจจเเดเอาและเราได้ปฏิญญานี่เรียกว่าประกาศตนเป็นพุทธมามกะขอถึงไตรสารณคมเนาะเออวันนี้ก็เรามา กันมากหน้าหลายตาเลยมาร่วมงานนะเขาเรียกงานทําบุญอายุเขาเรียกว่าทําบุญอายุครบรอบครบรอบเต่าไหร่กี่รอบยางงี้ก็จะกี่รอบห้ารอบเลยพอยังไม่ห้าเนี่ยเนี่ยมาป่าลบเขาเรียกว่า ของของยอมแหวนที่จริงทุกคนก็มีวันเกิดวันเกิดกันทั้งนั้นเลยเนี่ยบางคนก็นับเป็นวันก็วันก็ภายในเจ็ดวันนี้แหละอาทิตย์จันยังานพุทธพลรหัสสุกเสาร์บางคนก็นับเป็นเดือนยังไม่เกิดเดือนอะไรก็ว่าไปบางคนก็นับเป็นปีปีก็สิบสองปีชวดฉล้ขานก็นับไปถ้านับเดือนก็ ยังยอมแวงก็มกลาเยมกลาคนถ้าปีก็เรียกปีะลรปีกุลเนี่ยแต่แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยนับอายุกันแต่ยังพวกเราไม่เป็นไรนับได้แล้วเลยกำหนดคือจริงๆคำว่าเกิดเนี่ยถ้าพุทธเจ้าบอกว่าชาติปีทุกข์ขาใช่ไหมความเกิดเป็นทุกข์ ชะลาปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์พยาที่ทุกโขความเจ็บไข้เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์เคยได้ยินคำนี้ไหมเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บไข้เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ใช่ประหลาดถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหม พลาดพลากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ใช่ไหมโดยโดย่อโดยย่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์สรุปก็คือกายกับใจเป็นทุกข์ทีนี้คําว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราคิดถึงความเกิดแล้วเราทุกข์ใจใช่ไหมเราคิดถึงความแก่แล้วเราทุกข์ใจใช่ไหม คิดถึงความเจ็บไข้คิดถึงความตายแล้วเราทุกใจแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะเกิดนะ่ะเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เจ็บไข้เป็นทุกข์ความวิบัติพลัดพากทั้งหลายเป็นทุกข์มันก็เรียกทุกข์ธรรมชาติแต่ถ้าเราเอาใจของเราเข้าไปรู้เข้าไปรับในเรื่องเหล่าเนี้ยมันจะเครียดมันจะกุ้มอย่างนั้นเขาเรียกว่าตั้งท่าทีทางใจต่อทุกต่อความเกิดไม่เป็น เกิดเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดดีเนี่ยมีเป็นสุขนะอยกตัวอย่างเช่นยังไงยกตัวอย่างเช่นพอมีปัญญาไปพิจารณาถึงความเกิดบ๊บเห็นความจริงของชีวิตก็เลยเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทถามว่าเราอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยบางคนก็แปดเดือนใช่ไหม บางคนก็เก้าเดือนบางคนก็สิบเดือนใครอยู่ในท้องของคุณแม่เท่าไหร่ยอมบีกอยู่ในท้องของคุณแม่เท่าไหร่เก้ายอมแหวนอยู่ในท้องคุณแม่เท่าไหร่เก้าเนี่ยโอ้โหนี่ประธานไม่มาแ <c oughs> ล้วนั่งได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ยังดู บ, บีดีทัศ ท่านายเขาตัดต่อตอนที่ไปที่ศาลาหนาาที่แสดงธรรมจักวันสุดท้ายยังเห็นรูปยอมแจ๊กกำลังถ่ายรูปอยู่พอดีแล้วก็ถ่ายออก <c oughs> นั่งไหวไหมไ ห, ไหวครับพ่อไหวอย่างนไหวจะหลบไปข้างหลังอ้าวเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการเกิดเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดีเนี่ยเป็นสุขเนะี่ยความคําว่าเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์ธ ร, รรมชาติแต่คนเราแยกกันไม่ออกระหว่างทุกข์กับธรรมชาติกับทุกข์ในใจเราเนี่ยอะลรอย่างกันเนาะถามว่าเราอยู่ในท้องของคุณแม่กแปดเดือนบ้างเก้าเดือนบ้างบางคนก็สิบ ที่จริงรอดมาได้ยังไงจริงๆไม่น่ารอดเนี่ยเพราะอะไรโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่ตายอยู่ในท้องกับคนที่เกิดมาแล้วมีชีวิตเนี่ยคนที่อยู่ในท้องแล้วตายเนี่ยมากกว่าที่คลอดออกมาเนี่ยที่หลุดรอดออกมาได้เนี่ยอันนี้มีน้อยกว่าฉั้นคนที่สามารถออกจากท้องของคุณแม่มาได้โดยปลอดภัยแปลว่าอะไรรักษาอยู่บุญ ถ้าหมดบุญก็ตายแล้วนี้แต่ละวันชีวิตเราที่ผ่านมากันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอ๊ะทําไมไม่ตายอันนี้แปลว่ากําลังของกุศลกําลังบุญรักษาเนะยถ้าบุญหมดเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนภพก็ตายไม่ว่าจะแก่จะมือไม่แก่หนุ่มสาวเป็นแบบนี้หมดเลยเราเคยคิดไหมว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยถ้าคิดอย่างประมาทหน่อยก็แล้วันต่อวัน ถ้าประมาทลงมานิดหน่อยก็คืออยู่ในช่วงของการอียบอดยืนเดินนั่งนอนถ้าสติสัมปชัญญะดีหน่อยก็คือช่วงกินอาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งถ้าสติสัมปชัญญะที่ดีหน่อยก็ช่วงกินอาหารคำหนึ่งถ้าสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ริงๆก็บอกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสามารถตายได้ทุกๆคนฉะนั้นที่เราไม่ดับหรือไม่เปลี่ยนภพเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ากาลังกุศล หล่อเลี้ยงและดูแลพวกเราอยู่ฉะนั้นวันนี้ก็มาวันครบรอบปารบวันเกิดของยมแบนนำมาไม่ถนัดเรียกชื่อเต็มเรียกแบบคุ้นเคยถ้าเรียกเต็มเรียกวาวรางคนางก็คือในเนี้ยถือว่าเมื่อถึงครบรอบอย่างนี้ปารบในการเจริญกุศลนี่ก็แปแปลว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาท อันนี้เป็นเรื่องที่หน้าหน้าที่พวกเราทั้งหลายจะต้องดูแล้วก็เอาไปเอาไปทํากันนะพอนึกถึงวันเกิดปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงหลายๆเรื่องนึกถึงในวันที่เราคลอดออกมาจากท้องของคุณแม่ใช่ไหมในวันนั้นเนี่ยหลายคนก็กระวนกระวายทั้งพ่อแม่เดือดร้อนใจว่ากลัวจะลูกจะเป็นอะไรไหมอะไรต่างๆ นี่ก็ทําให้นึกถึงคุณแม่ใช่ไหมพวกเรานึกไหมก็ทําให้เราคิดถึงคุณแม่คิดถึงคุณพ่อโดยเฉพาะพ่ อ, พ อ, พอแม่ไม่อยู่แล้วก็นี่แหละปารออย่างนี้ก็ทําบุญเลยหนึ่งเก็บส่วนบุญเหล่านั้นใกนกระตนเองแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลและความดีให้กับพ่อแม่ปุถ่ายญาญ า, ายเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นว่าเราจะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยไม่ขาดสติเนะ คำว่าไม่ประมาทในที่นั้นก็คือเป็นชื่อของการมีสติกำกับอยู่กับตัวการมีสติกำกับอยู่กับตัวแล้วก็มาคิดมาคิดว่าเออเนี่ยเราจะทำให้การเกิดของเรามีค่ายัางไงการเกิดที่จะมีค่าก็คือเราจะมาเจริญสติสัพชัญญาแล้วก็มาระ ล, ลึกมีจิตใจที่อาจฐานมัน่นคงระลึกถึงความดีที่เราทำมาแล้วเราก็จะทาดีต่อไปอนี่เป็นต้นการเกิดเป็นทกจริงนะ การกระแสะชีวิตที่มันดําเนินไปมันเป็นทุกๆขั้นตอนมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็มีการพัดพากนความทุกข์มันเป็นมันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดดีมันมีสุขตรง ท, ที่ว่าหนึ่งเช่นเกิดความเชื่อมัน่นว่าเราจะทําสิ่งที่ดีงามอันนี้ความสุขมันจะเกิดเกิดความเพียรเกิดความเกล้ากล้าอาถารในการที่จะละ บ, บาปอกุศลแล้วก็จะ บาปอกุศลทั้งหลายที่เคยทํามาแล้วทั้งหลายเราจะไม่ให้บาปชนิดนั้นกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและเราจะไม่ทําบาปใหม่ทั้งหลายที่เราได้เห็นได้ยินแต่เราจะเจริญกุศลคือคุณความดีทั้งหลายทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็จะพัฒนาทานศีลภาวนาให้เจริญไปบุญ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านในลักษณะนี้ก็เกิดดีเกิดความเพียรเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดสติสติก็คือระลึก ระลึกได้ตามระลึกได้ในกิจที่ทำในคำที่พูดการที่มีสติระลึกเนี่ยก็ดึงข้อมูลเนจากที่เราทำสิ่งดีๆทั้งหลายพวกเราทั้งหลายมีเรื่องดีๆกันเยอะนะที่เคยทาบางคนก็เคยให้ทานบางคนก็เคยรักษาศีลบางคนก็เคยเจริญภาวนาเคยทำสิ่งที่ดีๆเข้าไว้ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยตัวสัญญาคือความจำก็จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ทั้งหมดเลยใช่หม ถามว่าข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้ไหนเก็บไว้ในใจเราถ้าทางโลกเขาเรียกเก็บไว้ในสมองจริงๆเก็บไว้ในความรู้สึกนั่นแหละส่วนลึกของใจความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจที่เราเก็บความดีเข้าไว้นั่นเขาเรียกว่าสัญญาการเก็บในเรื่องที่ดีๆไว้เขาเรียกกุศลและสัญญามใครมีเยอะไหมความดีทั้งหลายที่เก็บไว้ในใจของเราแล้วเป็นกุศลเป็นความดีทั้งหลายและความดีเหล่านั้นเน่ยเราสามารถใช้สติไปดึงข้อมูลเหล่านั้น่ะ ออกมาให้ปัญญาได้ตรวจสอบได้รายงานมีมากไหมหรือบางคนลืมไปหมดแล้วใช่ไหให้สังเกตดูนะมันจะมีความจำอยู่สองอย่างความจำที่ไม่ดีกับความจำที่ดีหลายๆคนมีความจำที่ไม่ดีเข้าไว้ในกระแสชีวิตมากพอระลึกในเรื่องความเจ็บปวดเคยในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายยมมีไหมความจำที่ไม่ดี ยอมที่อายุมากมากเนี่ยมีระหว่างความจําที่ดีกับความจําที่ไม่ดีเนี่ยไหนมีมากกว่ากันถ้ามีความจําที่ไม่ดีไว้มากเขาเรียกอะกุศลสัญญาเข้าไหมถามว่ามันแล้วก็ชับเนะความจําบางคนเนี่ยเคยทําในสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะเนี่ยหนูมีไหมมีจําเรื่องไม่ดีมีไหม <c oughs> เป็นเรื่องอะไร <c oughs> หนูจําอะไรบ้างที่จําไม่ดีมีอะไรบ้างมีไหมฮะ <c oughs> โชคร้ายเรื่องอะไรหนู เ, หเรื่องอะไรที่หนูคิดที่ไรแล้วเศร้าใจ ม, มีไหมมีหรือเปล่าอ๋ <im itation> อแล้วเมื่อกี้หนูว่าโชคร้ายหมายถึงอะไรฮะเป็นยังไง <im itation> <im itation> อ๋ อ, อ, อนี่ <im itation> อ๋อยอมขาดบาดแขนนี่โชคลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ไม่ดีมากกว่านั้นที่คิดทีไรแล้วเศร้าใจไม่มีเลยได้กินอาหารที่ไม่ถูกใจนี่โชคดีไหมเรื่องโชคลายนอนไม่หลับนี่โชคลายไหมอ๋อโชคลายโอ้ถ้างั้นป้าปาทั้งหลายน้าทั้งหลา ย, นานานาลายโชคลายกันเยอะเลยตอนนี้เริ่มนอนไม่ไปหลับแล้ว เนื่เอเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายที่เราจํำกันไว้เนี่ยขาเรียกเป็นอกุศลสัญญาปปัญจะสัญญาจําในเรื่องที่มีคนตําหนิเราว่าเราคนทําไม่ดีกับเราเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าสิ่งเหล่านั้นมันเก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วมีเยอะไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราไปกําหนดเครื่องหมายไว้ผิด พอไปกำหนดเครื่องหมายไว้ผิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเหตุใกล้ของสติสติมีสองส่วนเนี่ยหนึ่งสัมมาสติก็แปลความระลึกชอบประการที่สองก็เรื่องมิจฉาสติการระลึกผิดถ้ารู้เรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายโดยส่วนใหญ่คนที่เจริญกุศลไม่เป็นเนี่ยก็จะเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสติเขาเรียกว่าทีละสัญญาปทัฏฐานาสภาวะก็เรียกนี้เนี่ย แล้เรียก็มีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะสติเนี่ยธรรมชาติของเขาก็คือรละลึกได้ตามรละลึกได้กิจหรือหน้าที่เวลาสติเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ไม่หลงลืมทำมีการไม่หลงลืมเป็นกิจไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมหรือไม่เลอะเลือนคนที่มีความจาที่มั่นคงนมีลักษณะสติแล้วก็จะระลึกได้แ ม, ม่นคงระลึกได้อย่างมั่นคงประการที่สาม ผลของสติเป็นยังไงเขาอารักขาประทัประทัฐานาคืออารักขะปัจจุประทานาคือมีการรักษารักษาเรื่องราวรักษาอารมณ์ไว้นั่นเป็นหน้าที่เเป็นอาการปรากฏของเขาเลยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรายังจําไว้ได้ตลอดเลยจําได้ไหมเช่นคําพูดที่เคยมีใครพูดสัญญากับเราไว้ย่อมมีไหม มีใครเคยมาสัญญากับเราไหมว่าจะไม่ทิ้งกันเคยมีไหมมีไห <c oughs> มีฮะ <c oughs> อ๋อใครเป็นคนสัญญากับใคร <c oughs> <c oughs> อ๋อจะไม่ทิ้งกันใครจะไม่ทิ้งใคร อ๋อแต่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งเป็ น, นเขาเรียกว่ามีมีมีเทพทิดาตัวหนึ่งชื่อว่าปฏิปูชิตาปฏิเนี่ยแปลว่าสามีปูชิตาก็คือบูชาหญิงที่บูชาสามี <c oughs> ที่จริงปฏิเนี่ยแปลว่าสามีก็ได้ถ้าแปลแบบไทยๆเราก็แปลว่าผัวยอมแจกตั้งใจฟังนะดูนเรื่องนึ ง, นงคือคือที่ในชั้นดาวดึงนีงนง่มีพาราภาร า, ารไอ้มีเทพพ บ, บุตรตนจนหนึง่งมีบริวารหนึ่งพันแต่กลุ่มเป็นเทพธิดาเนี่ย ทีนี้ก็ไปที่สวนกันห้าร้อยไปอยู่บนต้นไม้แต่อีกห้าร้อยอยู่ข้างล่างทีนี้กลุ่มเทพที่ดาที่อยู่ห้าร้อยเนี่ยก็คือมีความรักในเทพปรบุตรนี้มากหลักก็คือบูชาทีนี้เก็บดอกไม้ทีนี้เท พ, พบุตรตนนี้พอได้ดอกไม้มาก็าไปให้เทพที่ดาอีกตนหนึ่งนี้นางปฏิปูชิตาเนี่ยพอเห็นเนี่ยเกิด เกิดลิศเสยโอ้โหน้อยใจมากตอนไม่ให้เราก็ยอมเปียกฟังแล้วเป็นไงเ ป, นเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ แ, แค่ส่งดอกไม้ให้กันเนี่ยก็เหมือนกันพวกเราที่อยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยถ้ามีของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนที่เรารักเนี่ยเ ข, เขาหยิบของชิ้นนี้ไปให้คนอื่นแต่เราก็จ้องตามองอยู่ใช่ไหยเราก็อยากได้ นี่เขาหยิบไปให้อีกคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้เนี่ยแล้วเป็นไงมันเครียดไอภาวะความเครียดความโกรธตรงเนี้ยภาษาพากเขาเรียกว่าิศยาฤษยาแปลว่าอะไรเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันทนไม่ไหวใจมันร้อนรุ่ง ม, มันก็ยอมเคยเป็นไหมแบบเนี้ยเคยไม่เคยอ่ะลองลองนึกดึงชีวิตจริงนะที่ว่าแหมของชิ้นเนี้ย บางทีแค่ไม่มีค่าเลยมากแค่น้ำสักแก้วหนึ่งแค่น้ําแก้วเดียวนี่แหละเออน่าจะยกให้เราก็ไปยกให้อีกคนไม่รู้ว่าเวลายอมเอาแก้วน้ํามาถวายพระยอมเกิดแบบนั้นบ้างไหมแม้ทําไมไม่ยกให้เราไม่ยกให้พระนี่คิดไหมไม่คิดทำไมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าฤิ์ยาเห็นคนอื่นได้แล้วทนไม่ไหวสภาพใจที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยนี้ดีนะ พวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายเนี่ยร่างกายมันมันหยาบไฟคือโทสาไฟคือฤทิ์ยามันเผาแล้วเนี่ยมันไม่ไหม้แต่ถ้ายอมไปเกิดเป็นเทพธิดาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยร่างกายเขาเรียกว่าอภิสมาลกายกายละเอียดถ้าไปโกรธอย่างเงี้ยมันจะเคลื่อนเทวดาเนี่ยมีการเคลื่อนหรือการเคลื่อนก็คือการจุตติก็คือการตายเนี่ยเคลียด์แห่งความตายในนั้นก็หิวตายแล้วก็ โกรดตายแล้วก็เกิดความกำหนัดเกินไปเนี่ยยินดีเนี่ยตายเป็นต้นแต่นางเนี่ยเคลื่อนจากอัตภาพนั้นเพราะอะไรเพราะโกรธยอมเคยไหม <c oughs> น้อยใจบ่อยๆไหมน้อยใจสามีอะไรบ่อยไหม <c oughs> มีเออเนี่ย <c oughs> ห้ามไปเป็นเทวดาก่อนนะเนี่ย <c oughs> ถ้าตายแล้วไปเป็นเทวดานี่ตายเลยนะนเนี่ยเนี่ยนางประตูปฏติภูชิตาเนี่ยพอพอเกิดฤิษยาเกิดเครียดขึ้นมาปุ๊บไฟเผาเลย ดีนะที่นึกได้พอกำลั ง, งจะตายก็เลยลึกถึงกุศลเลยจุดติคือตายปุ๊บมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในครันของขอ ง, ขอ ง, ข, อ ง, ข, องของผู้หญิงในมนุษย์แล้วต่อมาก็คลอดออกมาเป็นผู้หญิงนี่นางเนะี่ยด้วยใจที่ผูกอยู่แล้วลึกได้แล้วลึกโอ้โหเราเคลื่อนเราเราแย่แล้วเนี่ย ไม่ได้เราจะต้องกลับที่เดิมให้ได้จะกลับที่เดิมไม่ได้ให้ทานรักษาศีลนี่างเพราะในยุคนั้นในยุคสิบหก็แต่งงานใช่ไมเธอก็แต่งงานแต่งงานกับสามีมารยา1หนึ่งเธอก็มีลูกอยู่สี่คนอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยร้อยปีร้อยปีนะแล้วก็ทําบุญให้ทานทั้งหลายเราไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลฟังธรรมจุติคือตายจากมนุษย์พอยุครบร้อยปีก็ไป ที่เดิมเลยไปที่เดิมคือที่ไหนตอนนั้นน่ะสา ม, มีเออไม่ใช่เทพบุตรพร้อมได้บริวารยังไม่ออกจากสวนเลยก็าถามว่าเอ้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเอ้ยสเกตดูนะเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเธอไปไหนมานางก็บอกว่าฉันพาดเพราะไปเกิดฤทธิ์เสที่ท่านเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยให้กับให้กับเอให้กับเทพเทพธิดาตนหนึ่งด้วยความ เครียดตัวนั้นทําให้ตัวเองตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดอยู่กี่กี่ปีร้อยปีโอ้เทบูตรตกใจโอ้ร้อยปีอะร้อยปีแล้วไปทําอะไรอยู่บอมนุษย์เขาเป็นยังไงกันเขาบอกมนุษย์นี่นะขนาดมีอายุร้อยปีเขาประมาทกันมากเขาดูเหมือนว่าเขาจะอยู่กันเป็นพันปีวันวั น, วนหนึ่งเขาไม่ปรารบกุศลกันเลยโดยมากก็มัวหลงละเริงกันในงานบ้างในการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ทะเลาะกันแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกกันบ้าพรนว่าไงเป็นไงหนูหนูให้ทานทุกวันไห ม, ไมไทุกวันไม่ถามมาทุกวันไห ม, ไมไโอ้โหแล้วสวดมนต์ทุกวันไห ม, ไ ม, ไอมโอ้โหเนี่ยเขาเรียกนี่เห็นไหมเนี่ยเขาประมาทไงนางปฏิปูชิตาเนี่ยบอกว่ามนุษย์ประมาทกันมากไม่สวดมนต์กันเลย เขาดูเหมือนว่าเขาเหมือนจะอยู่กันเป็นพันๆปีขนาดอายุเพียงนิดเดียวคือสองชั่วโมงของพวกเขาที่พวกเราอยู่ร้อยปีนะอันนี้ย้อมแหวนอยู่ได้มาหนึ่งชั่วโมงในอันหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองในในใ น, ใ น, ใน เ, ทเทวโลกถ้าคิดของเขาคือชั่วโมงเดียวถ้าร้อยปีก็คือสองชั่วโมงนี่ได้เราอยู่กันได้ชั่วโมงเดียวเองแต่เราทาเหมือนว่าเราเนี่ย จะเป็นมนุษย์ที่อมตะที่จะไม่ตายกันอย่างนั้นแ <c oughs> หละคุณน้ากลยเนี่โอ้โหพอพอเทพธิดาท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บหูสามีให้รังวลเออไม่ใช่เทพบุตรบอกว่าโอ้เราไม่ควรปรมามากกันแล้วเร่งในการที่จะเจริญกุศลพวกเรามีอายุเพียงแค่หนึ่งพันปีทิบหนึ่งพันปีที่พวกเขาคือประมาณสามโกด ก็ประมาณเท่ากับก่แล้ว30 35ล้านปีอายุเขาแต่เขาถือว่าอายุเขาสั้นมากไม่ได้เขาต้องรีบขวนขวายในการเจริญกุศลทุกวันไม่ประมาทดีกว่าเลยพากันไปไหว้พระเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นดูบูชาฉะนั้น <laughs> ตรงนี้ชี้เห็นว่า <laughs> หนึ่งก็คือว่าเวลาเราพวกเราเนี่ยที่เกิดความโกรธก็ดีเกิดความเครียดก็ดีเกิดความลิษยาก็ดีเกิดความตนีมันจะมีนะหนึ่งโทสะคือความโกรธสองอิสาหรือริษยาเนี่ยก็คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ประการที่สามคือมัชชริยะคือความตนีตนีตนีหลายอย่างนั้นหนึ่งตนีทินตนีที่อยู่มีไหม ตันีทินตณนีที่อยู่ไม่อยากให้ใครมาใช้สอยในที่อยู่ของเราบางคนก็ตณนีในบริเวณบ้านบางคนก็หนีดบริเวณหมู่บ้านหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราภาคของเราประเทศของเราตรันีเป็นไหมตันีแบบนี้ยอมเป็นไม่เป็นไม่เป็นเลยเลยบงทีนั่งเก้าอีน้นี้มีใครมานั่งแล้วโกรธไหมโอ้ไม่โกรธเลยไม่ตันีใช่ไหม เสื้อผ้าก็เป็นตันีนะอ๋อสองตั น, นีตั น, นีพวกลูกหลานญาติมิตรภาษาปัจจุบันก็เเล่นพักเล่นพวกประการที่สามก็คือตั น, นีผลประโยชน์ผลประโยชน์หมายถึงว่าผลประโยชน์นี้ควรเป็นของเราแต่เอาไปให้คนอื่น เนตันีผลประโยชน์ลาบสกาละแล้วต่อมาก็คือตนีกิติคุณก็คือวันนะสีผิวบางคนแปลกน ะ, อะยอมอยู่กับยอมแหวนอยู่แล้วยอมแหวนไม่ชมเลยชมแต่คนอื่นโกรธไหมไม่ใช่เกิดพอตั้งแต่ <c oughs> ถ, ถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนะนี่ยยอมแหวนจะเลิกชมยอมแล้วสมมติเนี่ยจะจะชมคนอื่นจะน้อยใจไหมไม่น้อยใจจริงจริงอืออ๋อชมชมยังไงชมยอมบ้างไงบ้า ง, งอ๋อ อขาแต่งตัวเรียบร้อยเอายอมเป็นชอบให้แต่งตัวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนี่คือคือแต่งยังไงแต่งแบบนี้ใช่ไหมเรียบร้อยอถ้าพระเกิดบอกวยอมแต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยยอมกดไหมอ๋ <laughs> อเข้าใจแล้ว ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วถึงเจ็ดสิบหรือยัง7อเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเกินรู้ไหมว่าเกินอายุไขามาสองปีแล้วเกินสามปีแล้วปัจจุบันนี้เขาเรียกเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขใช่ไหมแปลว่าเราได้ผ่านมาสามปีแล้วนี่เป็นกุศล ร, รักษานะมันจะมีอะไรบางหนึ่งอดตาย บางคนเนะีอดตายสองอเจ็บตายใช่ไหสามอุบัติตตายสี่แก่ตายม่ความตายอย่างนี้อดตายนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากำลังทานกุศลต่ำให้ทานมาน้อยอดอดอยากอยายอมยตั คำว่ า, าอดตายเนี่แปลว่าให้ทานน้อยใช่ไหมเอองนี้ยมาจากอกเนี่ยฉั้นคนบางคนเนี่ยไม่ให้ทานไม่สละไม่แบ่งปันหากินทั้งชีวิตปากกัดตีนถีบหาเช้ากินค่ำเคยได้เห็นไหมบางคนมีขนาดนั้นเลยเนะ่ยบางคนหาเช้ากินเช้าเลยนะไม่ใช่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันขนาดนั้นบางคนหาเช้ายังไม่พอกินเนี่ยนี่ยังงก็อดตาย นักเข้านักเข้าหลายคนในโลกใบนี้พากันอดตายนี่แปลว่ากําลังทานกุศลต่ํามากส่วนเจ็บตายเนี่ยมาจากอะไรยังไม่ถึงกําหนดนเจ็บก่อนแล้วต้องตายก่อนกําหนดพวกนี้กำลังกุศลลีย น, นอ้อยไม่รักษาศีลมาก็ไปเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์มาเยอะใช่ไหมฆ่าสัตว์มาเยอะเนี่ยจะเป็นเหตุให้เจ็บตายส่วนอุบัติเหตุตายเนี่ยเขาเรียกว่าตายไม่ดีนะแบบเนี้ยแบบมาจากอะไรเนี่ยมาจากเป็นคนประมาท ไม่ค่อยเจริญพระวริตไม่ค่อยสวดมนต์ในกลุ่มพวกนี้ไปไหนมาไหนไม่ค่อยนึกถึงร า, ราราตนาไตรไม่ได้เจริญกุศลอยู่อยู่ประมาทเนี่ยเหมือนคนที่ไปเที่ยวกันก็หลงละเลยใช่ไหมอุบั h t ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็แล้แก่ตายนิี่ตายตามบางคนตายตามอายุไขนะไม่เป็นอะไรเลยค่อยๆแก่แก่ไปแล้วก็หมดกําลังอายุไขแล้วอยากตายอย่างแบบไหนถึงจะดีอดตายเอาไหมเจ็บตาย อุบัติเตตายแล้วแก่ตายเอาแก่ตายดีกว่าใช่ไหมเอาแก่ตายแก่ตายก็ต้องให้เกินเจ็ดสิบห้าถ้าเกินเจ็ดสิบห้าไปแล้วก็ตายแบบไม่ค่อยมีโครคไขรแค่เจ็บอะไรมากเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกแก่ตายบางคนหลับไปอย่างงั้นแหละเขาเรียกกำลังของอายุไขหมดแล้วแล้วก็ตายแบบเหมือนคนนอนหลับเหมือนคนนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้น แต่หลายคนก็ปราถนาตรงนั้นนะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่สมปรารถนาก่อนจะตายขึ้นมาก็เกิดการแปรปวนในร่างกายฉะนั้นตรงนี้พวกเราต้องเตรียมเนาะต้องเตรียมเตรียมแบบไหนวิธีเตรียมปลึกจิตไว้นะ่ยปลึกจิตไว้ให้แข็งแรงให้เข้มแข็ ง, ขงต้องกล้าที่จะไปเชิญกับสถานการณ์ต่างๆทีนี้เอาละพอพูดในเรื่องตรงนี้ก็ทํากระตกให้พวกเรามาคิดกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพวกเราที่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยนะ เกี่ยวข้องกันในฐานะหลายหลายฐานะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นปู่ตายายายเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเยอะแยะหมดเลยหลายๆายสถานะกันที่เราเป็นกันอยู่ถามว่าอะไรล่ะที่จะเป็นเหตุทําให้การอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคือทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปได้ดีเพราะหลายๆอย่างให้สังเกตดูนะว่า มันจะมีสองส่วนในส่วนข้อปฏิบัติร่วมกันเขาเรียกวินยัยเป็นเป็นระเบียบแบบแผนสองธรรมะจะมีสองส่วนวินัยกับธรรมะทีนี้ระเบียบกติกากฎเกณฑ์ที่เราตั้งกันมาที่พึงปฏิบัติต่อกันในนี้ก็เรียกวินยัยวินัยเนี่ยเป็นข้อฝึกแต่บางคนมองว่าระเบียบกติกาแบบแผนหรือ วินัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อห้ามใครมองเป็นข้อห้ามคนคนนั้นจะอยู่แบบอึดอัดเช่นบ้านนี้ตื่นขึ้นมาใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องไปทำอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะอึดอัดยกตัวอย่างเช่นบางคนมีหน้าที่ทำกับข้าวบางคนมีหน้าที่ในการตัดหญ้าบางคนมีหน้าที่ในการที่จะไปรดน้ำต้นไม้บางคนมีหน้าที่ในการทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่บางคนมีหน้าที่กับรถ น, นี่เป็นวินัยเนี เห็นไหมถ้าเราไปมีวินัยเป็นข้อห้ามเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกานีแล้วก็เป็นกฎไอ้กฎกอไก่ดอเด็กเนี่ยมันกลายเป็นกฎทับแท้ที่จริงกฎหมายก็ดีกฎกติกาก็ดีระเบียบก็ดีมันเป็นกฎกไก่ตอประตับแปลว่าเครื่องหมายให้รู้กันแต่ถ้าใครมองว่าวินัยเป็นข้อฝึกคนคนนั้นได้เปรียบเพราะวินัยหรือกติกาที่เขาตั้งกันไว้เนี่ยตั้งไว้เพื่ออะไร เพื่อให้เข้าถึงธรรมะเราอาจจะมองยากนิดนึงนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ายอมมองว่าการละการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนี้เป็นข้อห้ามหรือเป็นข้อฝึกยอมเตีย ม, มองเป็นข้อห้ามหรือเป็นข้อฝึกถ้ามองเป็นข้อห้ามจะอื่นอัด บางทีชีวิตเราอยากจะทําอะไรตามใจของเราแต่ถ้ามองเป็นข้อฝึกในพุทธศาสนาไม่ใช่ข้อห้ามท่านมองเป็นข้อฝึกก็คือละปาณ า, าติบาสเว้นขาดจากการฆ่าเว้นขาดจากการเบียดเบียนเห็น ไ, ไหมมีจิตใจเมตตาการุณาเ อ, อื้อเอ็นดูแก่สัตว์ทั้งหลายจะเห็นชัดแล้วว่อ๋ อ, อเป็นการมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะละ ที่จะไม่เบียดเบียนกระแสชีวิตของเขาและในขณะเดียวกันสภาพจิตใจก็มีความรักปรารถนาดีเอื้ออารท์แก่กระแสชีวิตทั้งหลายปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขเมื่ายุยืนลักษณะเนี้ยจะได้ฝึกทันทีเลยนั้นท่าน ม, มองเป็นข้อฝึกนี่เหมือนกันระเบียบกติกาทั้งหลายเนี่ยให้เราเอามาเล่าเรื่องในสูตรทูรนึงให้ฟังหนึ่งเขาเรียกอคกขันยสูตร จะมีพระเจ้าจากกักรพรรดในยุคก่อนบุคคลที่ถูกปกครองขึ้นขึ้นมาเป็นผู้นำพอขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยอยู่ต่อมาก็เกิดในประเทศนั้นเกิดยากจนกันพอประชาชนยากจนขึ้นมาเนี่ยเขาทำกันยังไงรพระราชาก็เลยมานั่งคิดว่าที่เขาจนเพราะไม่มีก็ให้คนไปจับผู้ร้ายนั่นมาเพราะจับผู้ร้ายมาเสร็จเสร็จก็เอาของให้เข้าไป ใช่ไหมเอาข้าวปลาอาหารให้เขาของที่เขาขาดแคลนให้ไปปล่อยไปเอ๊ะไอ้พวกจนมันก็เออดีว่าพอรักเสร็จแล้วเดี๋ยวพระราชาก็จะให้ของเราก็เลยพากันไอ้พวกขี่จนทั้งหลายก็เลยพากันไปรักทรัพย์ใช่ไหมพอไปรักทรัพย์เสร็จเสร็จพระราชาก็ออกมาแจกของเอาลําบากแล้วมันเยอะนะเข้าคนจนมันเยอะนี่พอคนจนมันเยอะขึ้นมามนลุกรามไหมทีเนี้ยการรักขโมยก็ลุกรามเลยค <c oughs> ุยแก้ปัญหาผิดธรรมไงตั้งกติกาใหม่ อย่าทำอย่างนั้นเลยวิธีการตั้งกติกาว่าเอาละถ้าใครลักทรัพย์ลงโทษประหารชีวิตเลยเขาจะได้เข็ดลาบใช่ไหมเอาแต่นี้พอมีการลักกันมาก็ให้ทหารตำรวจไปจับมาพอจับมา เ, เสร็จก็คือประหารชีวิตแก้ปัญหาได้ไหมได้หรือไม่ได้เอาไอคนที่ไปลักขโมยก็ อ, กอุ้ยไม่ได้แล้วเว้ยถ้าไปลักทรัพย์แล้วเขา เห็นหน้าเราก็าจับเราได้เขาก็ฆ่าเราอยากก่างนั้นเลยแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ซะเลยโ <Okay. S 1> กคลามย่างเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเห็นไหมว่าไอ้แก้ปัญหาที่ผิดพลาดงนั้นตรงนี้ชี้เห็นว่าวงจรของชีวิตเนี่ยถ้าเราตั้งท่าทีทางใจผิดพลาดเนี่ยมันจะผิดเลยฉะนั้นเวลาเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยชีวิตที่เกี่ยวข้องกัน ยยมเวลาเวลาเราปฏิบัติต่อกันเนี่ยสิ่งที่ควรจะตั้งไว้ในใจเนี่ยพระเจ้าใช้คําว่าพรหมวิหารหลักพรหมวิหารเนี่ยเป็นเรื่องที่บริหารจัดการไม่ง่ายนะยากนะเช่นคนคนนี้เราควรจะเมตตาเขาหรือควรจะกรุณาเขาหรือควรจะพอ ย, ยินดีกับเขาหรือควรจะวางใจเป็นกลางอันนี้เป็นเรื่องยากนะไม่ใช่ง่ายแล้ว ฉะนันเวลาเราอยู่ด้วยกันถามว่าในยามที่เขาปกติเราควรจะเมตตาเขาใช่ไหม อ, อย่างยกตัวอย่างอีกมุมหนึ่งก็คือเวลาเราเราดูแลคนป่วยเดี๋ยวถามพยาบาลที่เคยดูแลคุณแม่มาดูแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมอยากจะดูอีกไหม <laughs> ถ้ามีใครป่วยแล้วจะดูต่อได้ไหมได้นะึ่ชอบใช่ไหมดูแล้วดียังไงเวลาดูแลคนป่วย อ, รรงอ ง, แลแลงยอองคุณของบุคคลที่จะเป็นพยายบาลและดูแลผู้ป่วยองคุณข้อแรกคืออะไรรูไ้ไ้มรู้จักยาใช่มรู้จักว่ายาเนี่ย รู้จักประกอบยาก็คือว่าควรกินยาอย่างไงไม่ควรกินยาอย่างไงต้องฉลาดในเรื่องนี้ใช่ไหมนี่ข้อที่หนึ่งใช่ไหมข้อที่สองอะไรหรือไม่รู้จักของแสลงและไม่ของไม่ใช่ของแสลงนี่พุทธิยาบอกไว้ไงทนะีเรารู้ขนาดนั้นไหมว่าถ้ากินอาหารเหล่านี้เข้าไปจะเป็นเป็นแสลงต่อร่างกายอาหารประเภท น, นี้ไม่แสลงต่อร่างกายยังไงรู้ไหมประการที่สามก็คือไม่รังเกียจอุจจาระและปัสสาวะที่เราจะดูแลคนป่วยนะ ใช่ไหมต้องวางท่าทีทางใจก็ดีข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นคนฉลาดในการที่จะสามารถพูดปลุกเร้าจิตใจเวลาคนป่วยท้อถอยก็พูดให้มีกําลังใจเวลาคนป่วยทุกข์ก็พูดให้เขาคลายทุกข์เวลาคนป่วยเนี่ยไม่มีไม่คิดดําเนินกระแสะความคิดผิดรูปผิดทางก็สามารถบอกให้เขาดําเนินกระแสะความคิดให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ให้คนป่วยได้เกิดความอาถรรพ์ล่าเริงบันเทิงแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแรงและตั้งมั่นพร้อมในการที่จะฝึกตนเองพัฒนาตนเองให้พ้นจากโรคภัยแค่เจ็บหรือไม่อย่างนั้นก็คือดำเนินกระแสความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามนี่ข้อสุดท้ายยากที่สุดเรามีครบไหมข้อไหนขาดข้อไม่ขาดจ้ข้ออะไรเล ย, เลย เดี๋ยวอยากดูยังเวลาคนป่วยเกิดท้อถอยงองแงขึ้นมาเราจะเรพูดยังไงวิธีพูดพูดยังไงคนเอาคนป่วยบอกว่าเบื่อแล้วไม่อยากอยู่แล้วเบื่อแล้วเกินรักษาไงก็ไม่หายเราจะพูดกันพูดกับคนป่วยว่าไงให้แบบไหน ก็ฉันก็เป็นมานานแล้วถ้ า, ถ, าถ้าค้นป่วยวะือทํา<ห>ทไมต้องบังบังคับ <c oughs> ฉันด้วยแต่ก็พูดนะถ้าเกาพูด <c oughs> เปลี่ยนกันไหมเธอมานอนป่วยอย่างนี้แล้วฉันเป็นเลยแล้วฉันก็จะเธอจะทนอย่างฉันไหวไหมไงถ้าเขาเกิดเขากิดคนคนป่วยเขาพูดอย่างเนี้ยองจะว่างไงหรือเาเอาใคร ใครใครจะเป็นเคสต่อไปในการที่จะป่วย <c oughs> <c oughs> จะให้พยาบาลดูยังเปียเอาไหม <c oughs> ป่วยป่วยติดระหว่างเป็นผู้ป่วยกับผู้ดูแลผู้ป่วยอันไหนอันไหนข้อปฏิบัติไหนยากกว่ากันรู้ไหมว่าถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วเราควรทำตัวยังไง ร, รู้หรือไม่รู้ ไม่รู้นะเนี่ยแสดงไม่ได้ฟังคาสอนพระเจ้าในหมวดนี้มาใช่ไหมรู้ไหมถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วควรทำตัวยังไง ร, รู้ไหมยอม่งคิดคิดว่าจะต้องป่วยไหมป่วยยอมโตถ้าป่วยแล้วจะทำตั ว, ย, วยัง <laughs> ไงเห็นไหมเมื่อเมื่อสักครู่พูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะดูแลคนป่วยต้องฉลาดในเรื่องยา ในการประกอบยาในการปรุงยาใช่ไหมข้อแรกใช่ไหมสองก็คือต้องฉลาดในของที่แสลงและไม่แสลงใช่ไหมประการที่สามก็คือไม่รังเกียจสิ่งโสโครกมีอุจจาระและปัสสาวะที่คนไข้คนป่วยจะต้องขับถ่ายออกมาข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อสุดท้ายความเป็นผู้ฉลาดเป็นคู่มีความฉลาดมีความสามารถในการที่จะพูดให้คนป่วยเนี่ยยามเขาหงอยเหงาเศร้าสร้อยพูดให้เขามีกําลังใจ ยามที่เขาไม่มีศรัทธาพูดที่เขามีความเชื่อมั่นยามที่เขาเกียจข้านพูดที่เขามีความอาถรรพแกล้วกล้ายามที่เขาฟุ้งซ่านลาคาญใจพูดให้เขามีสมาธิยามเขาที่ฟั่นเฟือนเลือนหลงพูดให้เขามีสติยามที่เขาขาดปัญญาพูดให้เขามีปัญญาถามแล้วคุณสมบัติข้อนี้เรามีไหมหนูพรมีไหมมีไม่มีไม่มีใช่ไหมข้อไหนยากที่สุด ข้อสุดท้ายยากฉะนั้นต้องไปฝึกข้อสุดท้ายมาเองไหมหรือต้องไปฟังคําสอนอย่างพระพุทธเจ้าต้องไปหาฟังในวิทยุอะ่ะที่แจกที่ทําแจกอะ่ะต้องไปฟังแล้วฟังอีกแล้วจะได้ข้อมูลตรงนั้นเพราะว่าสําคัญมากจะไม่ข้อสุดท้ายเนี่ย น, นี่เรียกคุณสมบัติทีนี้เอาคุณสมบัติของคนที่จะเป็นคนป่วยพวกเราต้องป่วยแน่นอนใช่ไหมถ้าจะเป็นคนป่วยยังไงที่จะเป็นคนป่วยที่น่ารักคนป่วยที่ คนดูแลแล้วเขาอยากดูแลเคยคิดไว้ไหมว่าเราจะเป็นคนป่วยที่ดีเคยคิดไหมงั้นต่อไปให้คิดไว้นะต่อไปต้องป่วยกันแน่นอนคนป่วยในข้อแรกก็คืออะไรในข้อแรกก็คือในเรื่องของการที่ว่าต้องที่ที่ เ, เรียกว่าการยอมรับเนี่ยการยอมรับ การยอมรับกับโครคภัยแค่เจ็บที่เราเป็นใช่ไหมถามว่าการยอมรับกับโรคภัยใค้เจ็บที่เราเป็นที่ที่เราเป็นเนี่ย น, น, น, นี่สำคัญมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นผู้ที่ไม่เอาแต่จใจตัวเองใช่ไหมเพราะเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยเขาเรีกรก ย, ยกว่ารู้จักอรู้จักสปายะก็หมายความว่าช่วงนี้สปายะในร่างกายของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้ว มั น, มนความสะดวกความสบายในร่างกายของเราเนี่ยเราจะกลับไปให้ความสะดวกสบายแบบว่าธาตุในร่างกายของเราดินน้ำไฟลมที่มันไม่แ ป, ปรปวนเนี่ยเราตอนนี้เราทำไม่ได้แต่มันฝึกได้ก็แปลว่าทำอย่างไรธาตุดินธาตุน้ำธ า, าตุไฟธาตุลมในร่างกายของเราเนี่ยมันจะไม่กำเริบมันยังพอคอนโทรลได้ไหมใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็นกคือ เวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยยาที่ผู้ดูแลให้เรากินเข้าไปเนี่ยยาเหล่านั้นมันไปปรับใช่ไหมปรับทำให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมทั้งหลายมันไม่แปรปวนมากเกินไปถ้ามันปรับแล้วมันก็ยังไม่สามารถทําให้กระแสชีวิตร่างกายของเราเนี่นนยมันมันได้มันมันได้ความสุขก็ยอมรับได้ในสถานภาพนั้นนะ และอสัปปายะทั้งหลายที่เราเจอใช่ไมที่เราได้รับทั้งหลายเหลา่านี้เราก็ต้องยอมรับกับมันยอมรับกับมันได้ในขณะนั้นและในขณะเดียวกันก็คือต้องรู้ด้วยนะของอะไรที่มันเป็นโทษต่อร่างกายและไม่เป็นโทษต่อร่างกายบางคนเนี่ยที่ป่วยแล้วไม่หายป่วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความอยากจะกินในสิ่งที่เข้เขาห้าม <laughs> ตรงนี้ต้องวางท่าทีทางใจให้ให้เป็น เขาบอกว่าความเป็นผู้ผู้ป่วยที่ดีเนี่ยแล้วประการต่อมาก็คือกรณีแห่งการที่ว่าเราเป็นผู้ที่รู้นะรู้ของแสลงและไม่แสลงทั้งหลายด้วยและในขณะเดียวกันก็รู้ว่าเ อ, อบุคคลที่ดูแลเราเนี่ยเขาจะอึดอัดคับข้องแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่เอาใจใจตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการสู้กับเวทนาใช่ไหมหนึ่ง สู้แบบสู้แบบถอยทับนักรบเนี่ยก็ลบแบบถอยทับเนี่ยรบแบบไหนถ้าเรารู้ว่ากําลังของเราสู้ศัตรูไม่ได้โดยเฉพาะโรภคภัยแค้เจ็บเนี่ยก็ใช้วิธีถอยไม่ใช่บุกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ถอยว่าทุกเวทนามาก็ไม่ไปต้านไม่เอาความรู้สึกไปต้านผ่อนความรู้สึกก็้วก็ค่อยค่อ ย, อยถอยเคยป่วยไหมเยอะ นี่คือรบแบบถอยทัพรบแบบที่สองแบบลบแบบกองโจรยมรู้ไหมแบบกองโจรก็คือว่าแบบซุ่มกองโจรมันคอยซุ่มตีไประยะระยะชั้นใดผู้ปฏิบัติเนี่ยนในกรณีที่อยู่กับทุกขเวทนาหรือโลกภัยแค่เจ็บเนี่ยบางครั้งเราไปไปดูในขณะที่เวทนาหรือทุกขเวทนาในร่างกายมันผ่อนเราก็กลับเข้ามาทําความรู้สึกในร่างกายเราได้แต่ถ้ายาเวลาใด ทกเวท น, นามันมันก็เบียดเบียนเราก็ไม่ดูเขากลับไประลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ้างอิติปิโสพระกวาอรหังเนี่ยเอาจิตของเราไปอยู่กับคุณของพระพุทธเจ้าบ้างวัฒน์บ้งางประสงค์บ้างหรือไปอยู่กับคุณความดีระลึกถึงการให้ทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยเอาไปอยู่กับสิ่งอื่นแต่พอเขาผ่อนคลายมาถึงค่อยมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมแบบต้มโจมตีเป็นระยะระยะประการที่สามก็คือสู้แบบประจันบานยอมเลย <laughs> <N> เอาเลยเตือนอ่ะเอาแล้วจะมาท่าไหนไม่กลัวเลยเตือนประเภทที่ทุกเวทนามาก็เอาความรู้สึกไปดูที่เวทนามันจะมากขนาดไหนทุกขนาดไหนก็ดูจี้ก็ไปเลยนะเอาความรู้สึกเอาสตินั่นแหละร ะ, ะลึกแต่ใจเราไม่ทุกนะไม่กลัวกับมันเลยมันจะมาขนาดไหนช่างก็ดูมันมันจะทุกจนขนาดไหนจะแปลปวดในร่างกายจนขนาดว่าลมในร่างกายเนี่ยเหมือนกับ มันบิดไส้บิดกระเพาะบิดขึ้นมานี่ปัน่นศีรษะเราขนาดไหนก็จะดูมันนมันจะบิดตัวเราเป็นเกลียวขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เราก็จะดูมันอย่างนั้นเลยไหวไหมคือถ้าดูอย่างนี้มากๆแล้วถ้ามีพลังพอจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งเพราะจิตรวมเป็นหนึ่งปุ๊บจิตจะมีสมาธิพอสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมันจะข่มอะไรได้ ข่มเวทนาได้มันจะอยู่เหนือเวทนาวิธีนี้มีพระรูปหนึ่งไส้ของท่านนี่ยนะลําไส้ในตัวมันลมลำบิดตนเป็นขดมันมันบิดบิดอย่างเงี้ยท่านก็ต้องกลิ้งกับพื้นแล้วก็หมุนหมุนตามไปหมุนกับกิ้งกับพื้นไปพอมันลมมันบิดกลับมาแล้วท่านก็หมุนตามเงี้ยอพระมาเห็นว่า ท่านทำอะไรท่านบอกโอ้ท่านโดนทุกขเวทนาโลกมเบียดเบียนอย่างแรงเลยท่านว่าท่านทำไมไม่อดทนเนะ่ยนิ่งอดทนไว้สิทำไมต้องไปบิดอย่างนั้นด้วยท่านก็หยุดกึบ ป, ปึกขึ้นมาลาไส้ลมมันปีลาไส้ทะลักออกมาหมดเลยทะลักออกมากองข้างนอกเลยท่านก็ถามาพระบอกว่าอดทนแค่นี้ไหวไหมครับ เนี่ยท่านท่านท่านได้บรรลุก่อนในตรงนี้ได้มาแล้วนะไหวไหมครับพระท่านพูดไม่ออกเลยว่าโอ้โหไม่น่าบอกให้ท่านหยุดเฉ้าะแเพราะเพราะนึกว่ามันบิดมากบางทีลมในในลําไส้มันลมมันปั่นป่วนขนาดนั้นเลยนะมีรูปหนึ่งท่านไปนั่งท่านไปนั่งปฏิบัติอยู่ท่านท่านทิ้งทรัพบใช่ไหมท่านมีรัพย์มากตั้งสามสิบกรกโกรดโกรดละสิบล้านคิดถึง ท่านทิ้งทรัพย์สมบัติแล้วก็มามามาบวชทีนี้ภรรยาของพี่ชายกลัวว่าท่านเนี่ยจะสึกออกมาเอาทรัพย์สมบัติเพราะทรัพย์ตกเป็นของพี่นี่ก็เลยจ้างพวกโจรเนี่ยให้ไปฆ่าพาระลบดีสิเพราะถ้าท่านตายแล้วทรัพย์ก็จะได้ไม่ต้องมีใครมาเอาแล้วใช่ไหมนี่ก็ท่านไปนั่งอยู่ในป่าเนี่ยโจรเข้ไปท่านก็ถามว่ามาอะไร เขาบอกว่าเขารับจ้างมาว่าจะมาฆ่าท่านท่านก็บอกว่าขอเวลาสักสิบสองชั่วโมงในคืนนี้ค่อยฆ่าอาตมาได้ไหมพวกโจรก็บอกว่าแล้วผมจะมีอะไรเป็นหลักประกันใช่หลักประกันก็เดถ้าท่านหนีไปผมก็ผมก็ทำกิจพระลไม่เสร็จสิพะผมรับจ้างเข้ามาแล้วนี้พระท่านก็เลยเอาจับขาท่านวางไว้บนบน โต้บนหินเนี่นะบนหินแล้วท่านก็หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งมาแล้วก็ทบขาตัวเองโตมก็ไปหักแล้วก็เอาข้างหนึ่งพาดแล้วก้อนหินทบโตมก็ไปหักแล้วท่านก็ถามโจรบอกว่าเนี่ยเป็นหลักประกันได้หรือยังโจรบอกได้แล้วโจรก็ไปรอกันไกลๆงั้นๆนั้นยมไปรอไกลๆเขาก็าไปรอกันอยู่ไกลๆท่านก็เตือนตัวเองว่าตอนเนี้ย ชีวิตของขาเธอเนี่ยเหลือเวลาแค่แค่สิบสองชั่วโมงเท่านั้นและแตอนเนี้ยขาก็หักหมดแล้วถ้าทำกิเลสให้หมดไม่ได้ท่านนิพพานไม่ได้เธอก็จะเจ็บปวดในสังสารวัฏมากกว่านี้นะาการที่ถูกตามล้างตามผ่านตามฆ่ามาไม่รู้กี่ร้อยร้อยอัต ภ, ภาพแล้ว พอเตือนใจตัวเองนี้ปุ๊บข่มพิจารณาถึงศีลตั้งแต่บวชมาเนี่ยเคยผิดศีลข้อไหนบ้างไม่เคยเลยไม่เคยล่วงละเมิดสกีาบทในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเอยเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีกัลยาณธรรมมั่นใจพอพิจารณาอย่างนั้นเห็นกุศลตนเองทั้งหมดที่ทํามาเกิดปีติเกิดปลาโมททุกเวทนาที่เกิดขึ้นหายหายไปหมดเลยทียนี้ ได้ได้ปีติเห็นไหมขมได้ไหมเออขมทุกขเวทนาได้พอทุกขเวทนาหายไปเกิดปลาโมดเกิดปราเพิเ่มยินดีใจเกิดปีติเกิดสุขสมนัดสมาธิตั้งขึ้นท่านยังฌานสมาบัติให้เกิดตั้งนั่งที่ขาหักนี่เนะใช้ฌานเป็นบาดเดินกำลังวิปัสสนาญาณแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระเดียท่านก็อุทานมาว่าเราพ้นแล้วไหม เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่อุทานออกมาแต่ตอนนี้ท่านปรินิพานแล้วขาท่านหักเออเนี่ยเห็นไหมว่าในสังสารวัฏเราในอนาคตพวกเราไม่รู้จะเจออะไรจริงไหมล่ะเพราะปัจจัยที่มันเหนือการคอนโทรมีเต็มไปหมดแต่ที่แน่ๆก็คือเจอแน่นอนเราจะต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บแล้วก็จะต้องตาย เ อ, อเกิดเนี่ยเหมือนเราถูกถูกเชือ้อชวนว่าให้ไปเที่ยวสวนอุทยานในป่านี้สวยงามมากมีคนหลอกเรามางโมหะคือความไม่รู้มันเหมือนมันเหมือนโจรคนแรกหลอกเรามาหลอกเออให้มาเกิดนะให้มาเกิดในโลกมนุษย์นะเกิดเสร็จแล้วจะมีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะเนี่ยมันหลอกลมาข้อแรกมันหลอกเรามาในข้อที่หนึ่งมีโจรโจรมันหลอกเรามาไอคนที่สอง คนที่สองพอเรามาแล้วในป่านั่นแหละพุ๊บจนคนที่สองมันซุ่มอยู่พอซุ่มไปเสร็จปุ๊บมันก็โผล่มาตีเราตีเราโอ้ยเราเจ็บตามที่ต่างๆจนสรีละเราเริ่มโคง้งงอมเหมือนอะไรโจนคนที่สองคือความแก่ตอนนี้มันเล่นงานเราแล้ ว, ลวใช่ไหมปวดเมื่อยขยับทั้งหลายเริ่มเริ่มลบากขึ้นนี่มันโดนทบนะเหมือนจนคนที่สองถ้าโจนคนที่สามคือความเจ็บ มันทบจนเราคานไปไม่ไหวเลยความเจ็บไข้ความทรมานทั้งหลายนี่เหมือนโจรคนที่สามมันทบให้เราคานคานคานเนี่ยตอนนี้หลายหายคนที่ป่วยเหมือนคนที่กําลังคานหนีหนีคนคนที่สามมันทบเราอยู่ไอ้คนที่สี่กำลังถือดาบรออยู่เดี๋ยวมันคานไปถึงปั๊บมันจะตัดศีสันเราคือความตายในโลกใบนี้ยเกิดเหมือนคนถูกหลอกมาคนแรกมันหลอกเราว่าที่นี่สวยงามหรือกิู มีทรัพย์นะมีเพื่อนนะมีเงินทองนะมีเกียรติยศชื่อเสียงนะมาเบ็ดเสร็จจะได้ลูกสองคนนะจะได้อะไรน้อหลอกหลอกแล้วหมดนะั่นนะได้ลูกสองคนสามคนมันหลอกเราอย่านี้นะยอมแบบเนีน้แต่ตอนนี้ก็มาแล้วพอคนที่สองผ่านเหตุการณ์นั้นความแก่มันทุบแล้วตอนนี้มันเริ่มทุบแล้วนะเขา้านะเขา้าเริ่มหลังบ้างเริ่มอะไรสรีละบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างเนี่ยต้องคอยนะมันโดนทุบแต่เดี๋ยวคนที่สามมันรออีก หลังจากนี้ไปหน่อยคนที่สามมันจะทบทบให้เราคานเลยเดีเยวนี้บางทีก็เหมือนคุณแม่นอนติดเตียงเนี่ยมันทบเอาดูที่ไอ้โจนคนที่สามมันทบคุณแม่อนะีกเนี่ยนอนติดเตียงตั้งเป็นสิบปีเนี่ยดูที่เนี่ยทบไอ้คนที่สี่คอยจ้องถือดาบอยู่นะขยับมาถึงที่ตนเองหลบอยู่อะไรเขาถึงก็ตัดศีซ่าก็ตายไปแล้วก็ถูกหลอกไปเกิดใหม่เขีนนี้ยัง ยังอยากเกิดกันอยู่ไหมเราโดนโดนสี่คนหลอกมาตอนนี้เราโดนไอ้โจนคนที่เท่าไหร่เล่นงานฉนันโดนคนที่ที่สามเลยโอ้โหตอนนี้มันเล่น <c oughs> เล่นแล้วเดี๋ยวคนที่สี่มันเดี๋ยวไปอีกหน่อยมันจะตัดศีษาฉันแล้วยมเพียก็โดนคนที่สามเล่นมาเกือบแย่เลยยมอ <c oughs> คนที่สามกลับมาเหลือคนที่สอง แก่แล้วนี่จำไว้แล้วแล้วคนที่สามก็คอยเล่นงานเดี๋ยวคนที่สี่คอยถือดาบรออยู่อืเดี๋ยวกันเนี่ยคนคนค น, คนที่สี่รอถือดาบแล้วถ้ากระยับไปถึงเขาเมื่อไหร่นะเขาดักรออยู่ในพุ่มไม้แล้วเขาจะตัดศีรษะแล้วก็จะมีคนที่คนแรกมาหลอกต่อว่าเดี๋ยวไปอีกที่นั่นนะหลบได้ใช่ไหมเพราะเอินไปในพบนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวไปอีกพบหนึง่ง ไปอัตภาพหนึ่งที่ร่างกายแข็งแรงเนะให้ทานรักษาศีลแล้วก็ไปเกิดใหม่ร่างกายแข็งแรงมีลูกเยอะๆมีภรรยมีสามีอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเดี๋ยวป้องกันได้เนี่ยก็ไม่ได้อีกต่อให้เป็นราชาหมากษัตริย์ก็ป้องกันไม่ได้ใช่ไหมเริ่มเห็นนีอยังนี่เกิดแก่เจ็บตายนี่เขาเรียกว่าทุกข์กระสัดทุกข์กระสัดนี่เป็นความจริงใช่ไหม เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระาริยะเป็นอริยศาสตร์เนี่ยก็ความจริงที่ทําให้ผู้บรรลุถึงเข้าถึงน่่กลายเป็นอริยถ้าเราแทงตลอดแล้วเข้าถึงได้เราจะกลายเป็นอริยได้ไม่เป็นบุญชนอีกต่อไปทุกเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นกิจของปัญญารู้เป็นหน้าที่ของปัญญารู้ถามว่าเวลาพูดเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายพูดปุ๊บเนี่ยใจเราเป็นทุกข์ไหมทุกข์ไม่ทุกข์ ถ้าอย่างเนี้แปลว่าวางท่าทีทางใจผิดเห็นทุกข์ใจต้องเป็นสุขใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์นี่เป็นธรรมชาติไหมเป็นกฎความจริงมันมีงั้งมันอยู่ไหมแต่การที่เราเอาความรู้สึกเข้าไปรับไปรู้เนี่ยถ้าเป็นความรู้สึกมันจะไม่ชอบใจเราจะกลัวเราจะเครียดแต่ถ้าใช้ปัญญาเข้าไปรู้ความจริงปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกยังไงเกิดความรู้สึกว่า เอาแล้วเกิดความอาจหารขึ้นมาคําว่าอาจหารก็คือมีความเชื่อมั่นและมั่นใจขึ้นมาว่าเราเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วว่าทุกเนี่ยเป็นกิจควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควรรู้จักมันจับตัวมันให้ได้ปริมาณของทุกข์ษัตริย์จะปริมาณของความทุกข์มากแค่ไหนเราต้องรู้ความทุกข์นั้นทุกขั้นตอนเช่นความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไรต้องรู้จักความแก่เป็นทุกข์อย่างไรเราต้องรู้จัก ความเจ็บไข้เป็นทุกข์อย่างไรต้องรู้จักความตายเป็นทุกข์อย่างไรก็ต้องรู้จักความโกรความร่ำไรลําพันธ์ความพาดัพดภาคแก่ของรักของชอบใจตลอดถึงกระแสชีวิตที่มันดําเนินอยู่ทุกๆขณะเนี่ยต้องใช้ปัญญาเขาไปรู้จักมันทุกทั้งหมดทุกขั้นตอนพอปัญญาเขาไปรู้ความจริงเด็ดเสร็จแล้วมันเห็นอะไรพอเห็นความจริงแล้วจิตใจเกิดความแช่มชื่นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ดูต่อไปทุกเหล่าเนี้ยกระแสชีวิตเหล่านี้ บุคคลที่ชวนเราให้มาเกิดหรือหรือกล่อมเราให้มาเกิดเป็นต้นเหล่านี้คือใครอ๋อตันหาคือความอยากความดายาณอยากตัวนี้เองไอ้ตัญหาคือความอยากเกิดอยากเป็นนู้นเป็นนี้ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวชวนเรากับซิปเราอยากให้เราทำสิ่งอะไรดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เพื่อจะได้ไปเกิดเนี่ยไอ้นี่ตันหานี่เหตุใช่ไ ความไม่รู้อวิชชาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นกรรมที่นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไอ้อ น, นี้ตัวอะไรตัวสมุทรยศสัจจ์ตัวเหตุเหตุกองทุกพพุทธเจ้าบอกทุกขสมุทรโยอเลิยสจังมหาตะพังบอกวควรละควรประหารความโลภเนี่ยความโลภความกาหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความหลงความโกรธอันนี้ควรละ แต่เราไปเชื่อเขาเนี่มันเหมือนเราเชื่อใครมากล่อมเราว่าเออไปทำโน้นที่ไปทำํำอย่างเราถูกมันกล่อมตลอดใช่ไหมเราไปเชื่อมันเนี่เราไปเชื่อแค่จริงควรประหารเหมือนเราทํากิจกับมันผิดประการต่อมาคือจุดหมายให้ทุกคนวางจุดหมายว่าเหมือนอยแมแหวนตั้งความรู้สึกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาวันเกิดเป็นวันเริ่มต้นต่อไปฉังจะตั้งจุดหมายไว้ที่นิโรธคือความพ้นทุกข์ตั้งความพ้นทุกข์เอาไว้ เมื่อเราตั้งจุดหมายจุดหมายของตนเองไว้ว่าเอานิโรธาสาจาัจจะเอานิโรธเนี่ยนิโรธเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะที่ปลอดจากทุกภาวะที่ไร้ทุกจะบอกว่าสุข ก, ก็ได้แต่สุขจริงๆเนี่ยถ้าว่าสุขจริงๆเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันก็ต้องมีทุกข์เหลืออยู่บ้างแต่ถ้าปลอดจากทุกไร้ทุกเนี่ยภาวะที่ไม่มีทุกเกิดขึ้นมาเลยมีอีกเลยเนี่ยนั่นเป็นนิโรธาสาจาัจจะเป็นนิโรธนั่นเป็นจุดหมายตั้งไว้ เห็นไหมทุกสมุทัยนี้โลดเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทำข้อสุดท้ายอย่างที่เรากำลังทำคือทานศีลภาวนาเนี่ยหรือตัวศีลสมาธิหนึ่งทาศรัทธาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเชื่อมั่นในพระรัตนตยเชื่อมั่นในคุณความดีสองแกล้าสมาทานอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราจักละบาปเก่าๆทั้งหลายความจาที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ย เห็นไหมเวลาเราเราไปเกี่ยวข้องกับผู้คนให้สังเกตตัวนี้ออย่างโยมยอมเปียเนี่ยบางทีเราก็ไปมาร์คเครื่องหมายไม่ดีไปเยอะเช่นถ้าคนคนนี้อย่างกับเพื่อนใช่ไหมถ้าเพื่อนมาคุยดีกับเราเราก็จะมีความรู้สึกคนคนนี้ดีกับเรานะแต่ถ้าวันหนึ่งเพื่อนไม่ได้มาไม่ได้มาพฤติกรรมของเพื่อนไม่ได้มาลักษณะนี้เลยมาอีกแบบหนึ่งมาแบบเออเอาไว้ว่ะ ว่าเราไม่ได้ตั้งความรู้สึกไว้ไงแต่ถ้าคนบางคนก็มาความรู้สึกไว้หมดเลยนะทําเครื่องหมายไว้หมดว่าเพื่อนคนนี้จะมาในรูปแบบไหนเขาจะมาพูดดีกับเราพูดไม่ดีกับเราทําดีกับเราทําไม่ดีกับเราคิดดีกับเราหรือคิดไม่ดีกับเราเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เราจะไม่ทําความขัดเคืองให้เกิดขึ้นกับเพื่อนคนนี้หรือกับคนคนนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เอาเลยเชิญเลยเชิญท่านทำมาเลยแบบไหนก็ได้เราจะใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะในเรื่องนั้นใช้สติในการไประลึกกากับไม่ให้บาปเกิดขึ้นกับเราและเราจะป้องกันตนเองให้ตนเองนั้นสะอาดบริสุทธิ์ได้เออถ้าทำความรู้สึกอย่างนี้มันจะแหวนมองไปที่ลูกน้องมองไปที่พี่คนโกรับลูกน้องลูกน้องมีกันต่างๆเยอะแยะหมดเลยใช่ไมมีทั้งอายุมากสุดจนน้อยสุด มีทั้งที่มีคนพฤติกรรมไรสารพัดหมดเลยถ้าตั้งความรู้สึกว่าเอาและวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบรรดาลูกน้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยเขาจะมีพฤติกรรมกันต่างๆกันแน่นอนแต่ระเบียบกติกาที่วางไว้ก็วางไว้นะแต่บางคนอาจจะทําตามนั้นก็ได้ไม่ทําตามนั้นก็ได้เราก็จะดูแล้วก็จะกใช้สติกํากับแล้วใช้ปัญญาเข้าไปสอบสวนจะวิจัยแยกแยะว่าอ๋อ เขาทำถูกหรือไม่ถูกอย่างไรแต่จะไม่ทําความขัดเคืองให้เกิดจะอยู่ด้วยสติสัพชัญญะด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในสิ่งนั้นอันไหนไม่ถูกแล้วก็เรียกมาแล้วก็ชี้แจงด้วยปัญญาชี้แจงด้วยสติบอกว่าควรทํำยังไงไม่ควรทํำยังไงเมื่อชี้แจงเ บ, บ็ดเสร็จแปลว่าเราทําหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้านายเรียบร้อยแล้วเออพอเป็นในลักษณะอย่างนี้แปลว่าตั้งท่าทีทางใจต่อสภาพสิ่งที่สังคมสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง เหมือนกันเหมือนยอมอยู่ที่บ้านโยมกลับไปที่บ้านเ อ, อถ้าโยมไปไปตั้งความรู้สึกว่าสามีลูกเพื่อนลูกน้องเจ้านายต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติกับเราอย่างนี้แต่ก่อนปฏิบัติกับเราอย่างนี้แต่ตอนนี้ทําไมปฏิบัติกับเราอีกอย่างใจเราเสียทันทีเพราะอะไร เราไปมักความรู้สึกหรือทําเครื่องหมายไว้เขาจะต้องทํากับเราอย่างนี้เขาจะต้องพูดกับเราแบบนี้จะต้องมีพฤติกรรมกับเราอย่างนี้เขาจะต้องมองหน้าเราแบบนี้ใช่ไหมถ้ามองได้วสายตาแบบนี้ถ้าเราไปล็อกความเห็นอย่างนี้ไว้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเพราะความจริงของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีมันเปลี่ยนแปลงทุกวินานนทนาีคนบางคนอาจจะทําถูก ตามกฎเกณฑ์กติกาบางคนก็ไม่รู้กฎเกณฑ์กติกาบางคนก็ตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์กติกามนุษย์ในโลกใบนี้เป็นแบบนี้หมดแต่เมื่อมีกติกาไว้แล้วเนี่ยอยู่ร่วมกันยังไงวางกฎเกณฑ์กติกาไว้กติกาวางไว้เพื่ออะไรยอมรู้ไหมกติกากฎเกณฑ์ทั้งหลายเนื้าวางไว้เพื่ออะไรเขาวางไว้เพื่อธรรมะคำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่ถูกต้องดีงามใช่ไหม สมมุติถ้าเราอยู่ในบ้านนี้เราวางกติกาว่าตื่นแปดโมงหรือตื่นเจ็ดโมงหรือตื่นหกโมงกติกาสมมุติวางไว้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อตื่นหกโมงมาแล้วจะได้ไปทํากิจกรรมทั้งหลายทีนี้ถ้ากติกาที่วางไว้เพื่อไปทํากติกานะั้นให้ถูกต้องดีงามไม่พอเนะยเพื่อจะได้เป็นข้อฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นเช่นเนะ ยกตัวอย่างเช่นว่าเอาพ่อกับแม่พ่อแ ม, อแม่ลูกที่พึ่งปฏิบัติต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำลงวงตระกูลทำตนให้เหมาะสมเงี้ยเมื่อท่านลงรับทําบุญอุทิศเนี่ยถามว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นวินยัยเป็นกติกาเป็นข้อเป็นข้อปฏิบัติแต่ถามว่าในขณะที่เราทาแต่ใจเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะเลย เราไม่ได้เข้าถึงศรัทธาไม่ได้เข้าถึงเมตตาไม่ได้เข้าถึงกรุณาไม่ได้เข้าถึงความอดทนไม่ได้เข้าถึงความเชื่อมั่นในคุณของรัานาตนตาใจไม่เข้าถึงศีลไม่เข้าถึงธรรมะแต่เราทําตามประเพณีแค่ น, นี้ถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าอะไรแปลวินัยกฎเกณฑ์กติกานั้นมันมันบรรได้แค่กฎเกณฑ์กติกาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับการทําให้มนุษย์เข้าถึงธรรมะได้จริงเนี่ยที่มันเสียหายคืออย่างนี้ เหมือนกติกาทั้งหลายที่ตั้งมาแล้วเนี่ยถ้าคนไปทําตามกติกาทําแค่ว่าฉันทําตามหน้าที่แต่ในขณะที่ทําฉันก็เครียดด้วยทุกข์ด้วยเหมือนยอมทําอาหารใช่ไหมเหมือนหนูพรมีหน้าที่อะไรสมมติทํางานบ้านทําไปเมื่อไหร่จะถึงเดือนหน้าจะได้กลับบ้านฮะมันทํำนะแต่ทําไปแล้วแต่เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าสมมุติสมมุติ สมมตินะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะจิตมันร้อนรุ่มใช่ไหมมันทำํำทำจริงๆนะกวาดไปด้วยบางทีเห็นปัดทั่วม้วนปัดปดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ากติกาที่ตั้งกันไว้ไม่ได้ทําไม่ได้เป็นเหตุทําให้เราเข้าถึงความหนึ่งความอดทนสองความความเป็นคนมีสติสมัชัญญะประการต่อมาคือความเป็นคนที่มีความเพียรความแกล้วกล้า มีสมาธิในการทำงานและมีความสุขกับการที่ได้เห็นงานนั้นเรียบร้อยดีงามเห็นไหมระเบียบกับธรรมะมันคนละตัวกันบางคนได้แค่ระเบียบได้แค่กติกาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะก็ไม่ได้ความสุขแต่บางคนเนี่ยได้สองอย่างเลยหนึ่งทำตามระเบียบวไิไนัยเลยสองตนเองมีความสุขด้วยเพิ่มยมตัวเจ้านายบอกว่าขับรถไปรับผ้าจานสมมุติหนึ่งขับรถไปแล้วโอ้โห ลำบากชิบสมมตินะสมสมมติมันเครียดนะโอ้ทมไมเราอยากจะพักผ่อนตั้งหน่อยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาชื่นใจใช่ไหมต้องใช้อีกแล้วถ้ากรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าได้แต่อะไรได้แต่วิตระเบียบแต่ไม่ได้ธรรมะถ้าได้ธรรมะโอ้โหชื่นใจมากทำไมเป็นบุญเราเลือเกิน โอ้โหคนอื่นไม่ได้โอกาสอย่างเราเลยเรามีโอกาสในการที่ไปดูแลพระสงฆ์อ๋เป็นบุญของเราแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้เราไม่มีรถแต่เราได้มีโอกาสโอกาสอันนี้เป็นโอกาสของเราเราจะขนขวายเต็มที่เม่อเผอเจ้านายได้บุญน้อยกว่าเราอีก <c oughs> อเพราะเจ้านายแค่สั่งแค่นั้นจช่ไหมล่ะถ้าเจ้านายเราลึกไม่เป็นเนี่ะ แต่เราที่ต้องขับรถโอ้โหกลัวจะไปได้แต่และเต้นทางแล้วเราให้ความปลอดภัยอ่ะแก่สงอ่ะหนึ่งให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสงสองให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินสามให้ความปลอดภัยในกระแสชีวิตของท่านต่อมาก็คือให้คําสัตย์คําจริงให้ความไม่หวาดระแวงพราะถามว่ายอมโตเลิกโูบูรีหรื อ, อยังเลิกแล้วเ อ, อ้โห พระชื่นใจให้ความไม่หวาดระแวงดื่มแอลกอฮอล์ไหมไม่มีครับโอ้พระไม่หวาดระแวงเลยนะพระชื่นใจมากเห็น ไ, ไหมให้ความไม่หวาดระแวงด้วยเนี่ยกรณีในลักษณะเนี้ยแปลว่าอะไรเราให้ความปลอดภัยแก่สงฆ์ที่มีวุทิยาาเป็นประมุขเราให้ยา น, นาทานด้วยให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นกาลาทานนะ การให้ในลักษณะอย่างนี้การเจริญกุศลในลักษณะนี้จะเป็นเหตุทำให้สมหวังเพราะพระท่านสมหวังไงเราให้คนมีศีลสมหวังอ่ะไม่ได้ให้คนมีศีลผิดหวังเขาจะยอมนุพลเข้าใจห ม, <c oughs> หมให้ให้สงผิดสมหวังเน่ย <c oughs> <c oughs> นุพลเคยทำอะไรให้สงผิดหวังไม <c oughs> ไม่มีนะ <c oughs> จริงจริงให้ระลึกแล้วให้ชื่นใจนะให้ชื่นใจว่าอ๋อเราได้ให้ความสมหวังการที่ให้สงสมหวังเนี่ยนะหนึ่งการให้ยาท า, านผลของยานท า, านจะเป็นยังไงรู้ไหมไม่ว่าจะไปเกิดในที่ใดในอัถภาพใดนะ ถ้าไปเกิดในยุคที่เทคโนโลยีจเจริญที่สุดบุคคลเหล่านี้จะได้ยานอย่างดีคือจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไหนได้รวดเร็วมากแม้แม้ทุกภพชาติจะมีหมดเลยนะมีมีมีคนคนหนึ่งเป็นคนชอบเนี่ยแค่ทางทางเดินมันเป็นเป็นโครนเป็นตมก็เลยเอากะโหลกศีรษะควายที่ตายแล้วนะ่มาวางวางวางให้มนุษย์เหยียบเดินข้ามเนี่ยกุศลของคนคนนี้ ตายไปแล้วได้ไปเป็ที่จริงไปเป็นเปรตนะแต่จริงๆเปรตไม่ได้เกี่ยวกุศลตัเนี้ยที่ไปเป็นเปรตก็คือไปรักห่อผ้าไอซ่อนผ้าเขาคือเพื่อนไปอาบน้ําตนเองขึ้นมาก่อนก็เลยเอาเสื้อเอาผ้าเหมือนยอมโตทำในการบาิเวเนี้เอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเพื่อนเล่นสนุกเห็นผ้าขึ้นมาไม่มีเสื้อผ้าวินสนุกชื่นใจใช่ไหมแต่ว่าตนเองมีอุปนิสัยชอบอะไร ชอบเอเห็นท้องร่องเห็นอะไรอห่างก็เอากระโหลกศีรษะควายหรือบ้างเอาก้อนดินบ้างไปวางให้คนเดินข้ามโดยเขาไม่เปื้อนเท้าไม่เปื้อนเป็นยานทานไงเป็นการให้ยานผ่านนะเจ้าเนี้ยตายไปเพราะกรรมอะไรให้ผลเพราะกรรมซ่อนผ้าเขาแต่ด้วยการที่ตนเองชอบเนี่ยวะไอ้ท้องร่องทั้งหลายก็เอาอะไรไปปูให้เขาข้ามก็เลยได้ม้าขาวหนึ่งตัวเป็นยานผ่านนะ แต่โทษของเป็นเปรตไม่มีเสื้อผ้าเพราะไปเอาผ้าเขาซ่อนผ้าเขามันกรรมสองอย่างนะซ้อนกันเนี่ยกุศลก็ให้ผลได้มีมา้าไม่มีเสื้อผ้าก็เพราะไปเอาผ้าคนอื่นซ้อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปเกิดในอัตภาพใดนะที่ใดก็จะได้ยานาทานได้เครื่องเครื่องใช้สอยฉะนั้นคนที่ถ้าให้ยานาทานตัวเนี้ยถ้าไปเกิดในยุคใดสมัยใดถ้ามียานเครื่องใช้สอยก็จะมีเครื่องพานะอย่างดีนี่กุศลไม่ให้ผลอย่างนี้ ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไปเกิดในยุคใดสมัยใดเป็นยุคที่เทคโนโลยีข้างนอกไม่เจริญพวกนี้จะมียานเกิดขึ้นในตนมีเกวียนมีล้อมีรถหรือไม่อย่างนั้นก็คือมีฤทธิ์ในตนพวกนี้ยสามารถห่อได้ไอ้กลุ่มที่มีฤทธิ์ทั้งหลายอลไรนี่มาจากยา น, นาทานนี่นะเอาพระเจ้าเนี่ยให้ยา น, นาทานมาเยอะปกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้นี่ยานยานปัญญาที่สามารถระลึกชาติได้ระลึกชาติผนหลังได้ อยู่ตูประพาตยานรู้จุติรู้ปฏิสัิทธของสัตว์ทั้งหลายที่สำคัญที่สุดก็คืออาสะวัขยายานทำกิเลสให้สิ้นไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจเหตุที่เราทำแล้วเห็นผลเห็นผลที่เกิดขึ้นมาถามว่าที่เราเกิดมามถ้าพูดกันตรงประเด็นก็วันนี้วันเกิดของโยมแหวนถามว่าโยมแหวนเนี่เกิดมาทาไมเกิดมาแล้วไม่ต้องขวนขวายมากเหมือนคนอื่น อันนี้แปลว่าอะไรเหตุที่ทํามาเยอะไม่ใช่ไม่ทํามานะนั้นต้องภูมิใจในกุศลเหตุในอดีตที่ตัวเองทํามาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมาในปัจจุบันในชาตินี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ประมาท ก, ก็สร้างเหตุต่อไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดหลายๆคนไปคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่เคยต้องเกตดไหมบางคนคิดจนเป็นปมด้ห้ออกมาเจอหลายคนนะไม่เข้าใจบุญของตนเอง อย่างพระพธิษัตเนี่ยบางอัตภาพเกิดมาปุ๊บโอ้โหซักพ่อทิ้งไว้แปดสิบโกรธแม่แปดสิบโกรธปู่ตายายาอ ย, ย่างละแปสิโกรธทวดอีก8ปดสิบโกรธเต็มไปหมดคนดูแลซั์เปิดคังซุมบติถึงมาเต็มไปหมดเลยท่านไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่รู้ตัวพอระลึกพอพอเป็นเด็กขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วท่านเริ่มคิดฮะท่านถามคนดูแลรับไว้ท่านว่า พ่อแม่ปู่ตายายายทำไมเขาไม่เอาไปเขาบอกเขทิ้งไว้ให้ท่านพอพูดแคน่นี้ปุ๊บเนี่ยท่านคิดต่อเลยว่าโอ้พ่อแม่ปู่ตายายายไม่ไม่ฉลาดเราจะไม่ทําเหมือนปูต่ตายายายพ่อแม่เราจะเอาทราับเหล่านี้ติดตนเราไปทุกอัตภาพที่เกิดเราจะฉลาดในการกินในการใช้ในการทําประโยชน์ในการทําสิ่งทั้งหลายและทรับเหล่านี้จะต้องตามเราไปจะไม่ได้ทิ้งทับทมในแผ่นดินนี้นี่วิธีคิดเห็นไหม นั่นจะแปลกใจกรณีบางทีเราอามาเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่เห็นมีทรัพย์เลยเนี่ยมารู้เลยโอ้โหเนี่ยพอมาศึกษาก็สอนมารู้ทันทีว่าอดีตเหตุเนี่ยเอามาทำมัน้อยแต่มาบอกเอ้ยเอาแล้วในชาตินี้เอามาจะไม่เป็นเรืนี้เอามาจะจะลุยทำเต็มที่แล้วมาก็ระดมเต็มที่อย่างน้อยที่สุดคือว่าในเส้นทางที่จะไปเดินไปสู่ความพ้นทุกข์เราต้องไม่เดือดร้อนเรื่องทรัพย์ก่อน สองในเส้นทางที่เราจะดําเนินไปสู่ความทุกข์เราต้องไม่เดือดร้อนเรื่องสุขภาพใช่ไห ม, มต้องไม่เดือดร้อนสุขภาพประการที่สามในเส้นทางที่เราจะเดินไปสู่สังสารวัตเราต้องฉลาดใช่ไหมถ้ามันหนึ่งจนสองเจ็บสามไม่ฉลาดยุ่งไหมเนี่ยจนเจ็บโง่ยุ่งเลยนะมันมันเ จ, เจอไปสามด่านแค่ น, นี้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะั้นมันรู้ทําไม่ได้เลยนะ คนโง่ไม่รู้ทำไม่ได้หรอกแค่นั้นฉันบอกอุ้ยไม่ได้แล้วหนึ่งเราเดินไปในสังสารวัฏเราก็จะต้องมีทรัพย์คอยดําเนินชีวิตเราไม่ให้ติดขัดสองคุณภาพชีวิตเราต้องดีเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ต้องไม่ประพฤติผิดในกรรมต้องไม่ build เทศส่อเสียดคำหยาบเพฟเจอต้องไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเราจะต้องดําเนินอยู่ในกุศลศีลประการต่อไปคือเราจะต้องเจริญปัญญาฟังคําสอน สวดมนต์ฟังคําสอนจเจริญกุศลฉลาดในการที่จะฝึกฝนพัฒนาปัญญาเราจะได้มีสมส่วนเนี้ยโดยเฉพาะปัญญาสําคัญสุดใช่ไหมปัญญาสําคัญสุดในการที่เราจะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างนี้ได้พอมองเห็นหรือยังนั้นการการที่เรามองสิ่งทั้งหลายแล้วเราก็ปฏิบัติต่อกันได้ถูกแล้วก็เรียกว่าสัญญาใดๆเราทําเครื่องหมายไว้ให้เป็นกุศลเยอะๆแล้วเวลาเรามองไปในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี้ย อันนี้ก็เรียกผลของบุญผลของบุญเนี่ยที่เราได้ทราบได้หลายทั้งหลายมายนี่เป็นผลของกุศลแต่ผลเหล่านี้มันมาจากเหตุมาจากเหตุที่ดีทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะสร้างเหตุใหม่ในทางที่ดีเพื่อดําเนินไปสู่จุดหมายที่ดีอย่างนี้เป็นต้นภามากันแล้วมรรคนากับพวกเราเนะได้มีใครอยากถามอะไรไหมมีไหม เดี๋ยวต่อไปจะได้ฟังพระท่านสาธยายสวดพระปริษแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในการถวายทานรักษาศีลกันต่อไปเนาะก็โมทนากรโยมแหวนแล้วก็ญาติมตรก็ให้กุศลรักษาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ต่อไปได้เจริญกุศลกันต่อ